บัดนี้จะแสดงธรรมเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้กล่าวถึงเรื่องมารทั้งห้าประการที่เป็นตัวล้งกราญเป็นอุปสรรคกัดขวางการดาเนินชีวิตของบุคคลทั้งหลายได้มากล่าวถึงม า, มาถึงเรื่องของมัจจุมาน ส ป, ประมาณคือความตายความตายก็คือความแตกทําลายแห่งชีวิตอินทรีย์ที่มีแก่คนแก่สัตว์ทั้งหลายอันจริงแล้วก็เป็นสภาวธรรมคือธรรมะที่จะต้องเกิดขึ้นแก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายเพราะสภาวธรรมนั้นท่านแสดงไว้สามอย่างคือเกิดแก่ตาย หมายความว่าอะไรก็ตามหรือใครก็ตามที่เกิดมาแล้วก็ต้องแก่แสุดก็ต้องตายจะแก่มากแก่น้อยตายเร็วตายช้าเป็นรายละเอียดที่แน่นอนที่สุดสภาวะทั้งสามประ ก, การนี้จะมีอยู่ทั่วไปแก่สำรัชีวิตทั้งหลายแต่ไงก็ตามความตายก็คงเป็นมารที่มาขัดขวางตัดรอนช่วงโอกาสในการกระทำความดีของบุคคลทั้งหลาย โดยทั่วๆไปท่านจะมองในแง่ที่คนกำลังทำความดีอยู่กำลังมีโอกาสได้จังหวะที่ประสบความสาเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเกิดมาตายจะในช่วงนั้นความตายในลักษณะนี้ถือว่าเป็นมานที่เด่นชัดมากอย่างมัจจุมารที่เกิดขึ้นแก่ท่านอราดาบดและอุทกาดาบดอดีตอาจารย์ของพระพุทธเจ้าหรือถ้าหากว่าท่านอยู่อีกหน่อยเดียว อ, องหนึ่งอยู่อีกสักเจวัน อ, องหนึ่งอยู่อีกสักสิห้าวันเราสามารถจะได้ฟังธรรมะในสํานักของพระพุทธเจ้าที่จะสรุปใหม่ๆแล้วก็บรรลุมรรคผลไปได้แต่ปรากฏว่าทั้งก็ตายแต่ในเอดหน้านั้นนิดหน่อยเท่านั้นเนองจนถึงพระพุทธเจ้าตรงรับสั่งว่าอาจารย์ทั้งสองนั้นประสบความพิบัติอย่างใหญ่ พอเมื่อเป็นเะนั้นแล้วท่านตายไปจะต้องบังเกิดในพรหมโลกแล้วก็อยู่ในพรหมโลกนานได้เกินบางทีอาจจะมีพระพเจ้าบังเกิดขึ้นมาใหม่อีกสักองค์สององค์ท่านก็ไม่มีโอกาสจะลงมาฟังธรรมเพราะนั้นกลายเป็นความสูญเสียวิถีชีวิตของคนเป็นนันมากที่กระรองประสบความเจริญก้าวหน้ากระบ a งทํางานได้ผลดี แต่ถ้าหากว่าท่านดูไปอีกสระยะหนึ่งผลงานของท่านก็จะเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านและก็เป็นประโยชน์แก่สังคมชาติสกุลตลอดถึงประเทศชาติเป็นส่วนรวมแต่จึงความตายก็มาตัดรอนชีวิตเสียในช่วงนั้นในขณะนั้นทำให้โอกาสทั้งหลายมันก็หมดตามไปด้วยเราจรึงพบเห็นผลงานบางอย่างที่มีการริเริ่มเอาไว้ แต่คนที่ได้เริ่มก็ตายไปคนรุ่นใหม่ก็สืบต่อไม่ได้งานเหล่านั้นก็ค้างอยู่แทนที่จะเป็นประโยชน์ก็กลับไม่เป็นประโยชน์เพราะในแนวการปฏิบัติในช่วงนี้คือการมองชีวิตในรักขณะ น, นี้พระเจ้าจึงทรงสอนให้มองในรูปของมรณะสติ หรือตั้งสติตามระลึกถึงความตายที่จะต้องเกิดขึ้นแก่ชีวิตของบุคคลป็นเรื่องที่เรารู้ไม่ได้ว่าจะเกิดเมื่อไรเกิดอย่างไรเกิดที่ไหนเกิดโดยวิธีใดไม่มีใครรู้ได้จนถึงรับสั่งแสดงว่าในที่ในในโลกมีสถานที่ที่ไม่มีคนเคยตายหรือสัตเคยตายนั้นไม่มี แสดงว่าโอกาสที่คนสัตว์จะตายนั้นก็ตายได้ทุกคนทุกแข่งเราเกิดในที่หนึ่งอาจจะไปะตายในที่ใดก็ไม่รู้ตรงๆให้มองชีวิตเป็นความตายในสามช่วงใหญ่ๆเพื่อจะถ่ายถอนใจที่ยึดมั่นอยู่ที่ความประมาทเธอจะมองเห็นว่าปัญหาอีกด้านหนึ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของคนก็คือความประมาท ประมาทในวัในชีวิตในความไม่มีโรคคนไม่ค่อยคิดถึงความตายโดยบางทีแม้จะคิดก็คิดว่ามันต้องแก่มากๆก่อนถึงจะตายจึงทําให้มีการยกยอดเอาการทําความดีเมื่อแก่แล้วคือหลังจากเกษียณอายุราชการไปแล้วเป็นต้นก็เป็นช่วงเป็นจังหวะที่ทําความดีถึงความคิดเหล่านี้ที่จริงก็เป็นการประมาท พอเราก็รู้ได้ยังไงว่าเราจะอยู่ได้ถึงก่อนกเกษียณและหลังกเกษียณไปแล้วเพราะว่าชีวิตนั้นจะความตายนั้นจะมีอยู่สามจังหวะจังหวะหนึ่งท่านเรียกว่าคณิกามรณะคือตายอยู่ทุกขณะเป็นการตายที่ปรากฏในชีวิตของบุคคลแล้วตายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เกิดมาเราก็ตายอยู่ทุกวันตั้งแต่วัยวะต่างๆที่แตกกลับไป ส่ว น, นทวนขงร่างกายต่างๆอย่างผมเก่าหลุดร่วงไปผมใหม่เกิดขึ้นแทนคนเก่าหลุดร่วงไปคนใหม่เกิดขึ้นแทนเส้นต่างๆ ต, า, งตายไปเส้นใหม่เกิดขึ้นแทนมาต้นมันมีลักษณะเป็นคณิกะมรณะคือตายอยู่ทุกขณะหายใจเข้าไปเกิดหายใจออกก็เป็นตายรับประทานอาหารก็ไปอิ่มแล้วประเดี๋ยวก็เปลี่ยนแปลงไปลกลายเป็นขิวก็แสดองความอิ่มก็ตายไปละพวกนี้ที่จริงก็คือกา ย, ยาสังขาร แต่แม้เราจะมองในส่วนอื่นคือขันอื่นเช่นในเวทนาที่มันเกิดขึ้นบางทีก็มีสุขเวทนาบังเกิดขึ้นอยู่ช่วงหนึ่งขณะหนึ่งเสร็จแล้วก็ดับไปแล้วมีทุกข์บังเกิดขึ้นก็ดับไปแสดงว่าขันคือเวทนาขันเองมันก็เกิดตายอยู่ด้วยมารูสัญญาคือความทรงจำยิ่งค่อนข้างจะเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น อย่างที่พระเจ้าทรงอุปมาการฟังธรรมะให้ดูการฟังของบุคคล น, นั้นก็ใช้สัญญาคือความจําหมายความว่ารับรู้ไปทางสัมผัสประสาสัมผัสแล้วโดยธรรมชาติของจิตก็คือจําสิ่งเหล่านั้นไว้แต่พอดีตัวสัญญาคือความจํามันไม่เที่ยงความไม่เที่ยงนั้นบางครั้งก็เลือ น, นหายไปเลยหรือลบหายไปแต่ นายยกตัวอย่างการฟังเทศว่าคนมางคลฟังเทศอย่างเอาของวางไว้ที่ข้างหน้าพอตัวเองลุกขึ้นของก็วางอยู่ตรงนั้นเองก็แสดงว่าในขณะฟังก็เกิดความรู้ความเข้าใจอยู่พอสมควรแต่พอรุกขึ้นแล้วมันก็หายไปหมดคนบางคนฟังเหมือนก็ของวางไว้บนตักก็ในขณะที่นั่งอยู่ของนั้นก็อยู่ แต่พอลูกขึ้นไปแล้วของก็ร่วความจำธรรมะได้จําเรื่องอะไรก็ตามก็สรุปปฏิ่านมาถากปราทสัมผัสปังหย่ามาสังเกตว่ามันก็จําอยู่ชั่วขณะหนึ่งแต่ในสู่ก็ดับไปก็แสดงความจําก็ตายรูปขันก็ตายเวทนาขันก็ตายสัญญาขันก็ตายแต่บางคนนั้นอาจจะตายช้าหน่อยมันเมือนก็ฟังไปแล้วแต่เอาของใส่ไว้ในกระเปา๋าหรือใน ในพกสมัยโบราณก็อุปมาในพกสมัยนี้ก็อุปมาเหมือนกระเป๋ามันก็อยู่ตราบเท่าที่ยังมีกระเป๋าอยู่แต่นสุดมันก็หายไปเหมือนกันแสดงว่าความตายทุกขณะนั้นเกิดขึ้นแก่ขันทุกๆขันแลกเกิดขึ้นแก่ชีวิตที่เป็นภาพรวมๆว้าก็มีการตายอยู่ทุกขณะเช่นเดียวกัน ยิ่งสังขารระคันคือความดีความชั่วจะเกิดขึ้นภายในใจนั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเกิดดับเร็วเหลือเกินบางครั้งตั้งสมาธิที่จะฟังที่จะอ่านที่จะอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งดีๆแต่ก็ทําได้ชั่วขณะหนึ่งแล่นสุดก็ตายไปคือดับไปโดยแม้แต่พวกอกุศลบางอย่างมันก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแสดงว่าจิตเราไม่ตั้งมัน่น อยู่ในกุศลเรื่อกุศลดนี่ใดอย่างหนึ่งบางทีก็สับสนคล้ายๆกับทงปลายเสาพิวไปพิวมาไม่รู้จะไปทีศไหนกันดีนั่นก็คือลักษณะของสิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจก็แสดงว่าสังขารนั้ราก็เกิดดับเกิดดับไปเรื่อยวิญญาณการรับรู้อารมณ์อันนั้นก็เห็นได้ชัดเจนคือเห็นปั๊บก็ดับไปเลยกิยาการเห็นก็ดับไป บางครั้งสิ่งนั้นเคลื่อนไหวเร็วเราก็เห็นแล้วเราก็ดับไปเลยนั้นแสดงว่าทั้งหมดที่จริงก็คือความตายนั่นเองเป็นคณิกะบร์หน้าคือตายอยู่ทุกขณะชีวิตของเรานั้นเป็นลักษณะที่แบบกระแสะน้ำที่ไหลไม่ย้อนกลับมาไหลไปเรื่อยมีแต่จะเดินลงภาพชีวิตเหล่านี้เป็นสิ่งที่บุคคลเกี่ยวข้องกับจุด แต่ปัญหาสาคัญก็คืออย่างประมาทพระพุทธเจ้าจึงเล่นให้มองชีวิตในจุดนี้ด้วยด้วยวมองว่ามันก็ตายอยู่ทุกขณะด้วยเพื่ออะไรเพื่อให้ตายดีคือขณะแต่ละขณะมันก็ตายแน่มาผ่านมาแล้วผ่านไปแน่เราทายังไงช่วงช่วงนั้นขณะนั้นจังหวะนั้นจะเป็นกี่นาทีกี่ชั่วโมงก็ตามก็พยายามให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด ก็เป็นการจากไปหรือผ่านไปอย่างมีสาระแก่นสันในจุดนี้จะมีการตกยำให้สัมพันธ์กับการเวลาให้รับสั่งเตือนว่าเธอทั้งหลายจะปล่อยการเวลาผ่านพ้นไปเพราะว่าคนที่ปล่อยการเวลาผ่านพ้นไปจะต้องเศร้าโศกเสียใจในการภายหลังเรือพิจารณาหนึ่งๆว่าวันคืนผ่านไปผ่านไปบบบ น, นี้เราทำอะไรอยู่ บางครั้งก็เป็นการตรอกยำ้ำเป็นการกระตุ้นเตือนให้รีบจกสวยโอกาสที่รแรงความเพียรพยายามยังมีโจม ร, รีบบำเพ็ญกุศลความดีเอาไว้อย่างรับสั่งแสดงไว้ว่าความเพียรพยายามให้ที่เปร่งกระทำะในวันนี้ขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าความตายอาจจะมีวันพรุ่งนี้ก็ได้เนื่องจากชีวิตแต่ละชีวิตนั้นไม่สามารถจะขอร้องผัดผ่อนต่อรอง กับพามรรจุราชผู้มีเสนาใหญ่ได้คือสรุปว่าแต่ละอย่างนั้นได้มองความจริงของชีวิตว่ามันแตกดับอยู่ตลอดแล้วก็มีส่วนเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาที่ท่านเรียกว่าสันตติคล้ายคลกระแสน้ำกระแสไฟจริงๆมันก็ดับอยู่ตลอดเพียงแต่ว่ามันเป็นการเลื่อนไหลกันมาโดยลำดับก็ทำให้ดูคล้ายๆกับเที่ยงแท้มั่นคง จริงๆแล้วก็มีการเกิดดับความตายประการหนึ่งนั้นท่านเรียกว่าอากาละมรณะคือเป็นความตายที่เกิดขึ้นแก่คนกษสัตว์ที่ยังไม่ถึงคราวจะตายข้อนี้เป็นเรื่องที่น่าสังเกตว่าชีวิตของเรานั้นคล้ายๆจะมีที่ตายถูกกำหนดไว้แล้วได้ทไป เราจะเกิดในสถานที่ไกลๆแล้วก็ไปตายแล้วก็ตายในที่หนึ่งสรุปความตายในแนวนี้ตามปกติแล้วท่านบอกว่าชีวิตนั้นจะอาศัยอายุอาศัยไออุ่นอาศัยวิญญาณอาศัยกรรมเป็นตัวหลอดเลี้ยงรักษาแล้วก็มีกรรมวิธีต่างๆเดี๋ยวเชื่อกันคิดว่าอายุมันขาดก็มีวิธีการต่ออายุ หมดบุมก็พยายามสร้างบุญขึ้นมาเพื่อเป็นการเสริมเป็นการต่ออายุเท่านั้นก็นั้นก็เป็นเรื่องของความเชื่อไม่ใช่เป็นเรื่องของหลักการที่จริงในชีวิตของเราที่เกี่ยวข้องกับ น, นั้นแม้ส่วนเหล่านี้ยังมีอยู่แต่บางครั้งความตายมันก็เกิดขึ้นไม่ได้โดยความประมาทพลาดพั้งเผลอเรือของเราเอง โดยการกระทำโดยความเพี่ยนพยายามของบุคคลอื่นโดยการเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อันตรายต่างๆซึ่งความตายลักษณะ น, นี้เราจะพบว่าคนเป็นนั้นมากที่ไม่ถึงข่าวตายแต่ก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เหล่านั้นซึงในจุดนี้ที่พระเจ้าทรงสอนเรื่องอาเสวนาปัจจัย ติดสอนเรื่องการครบหาสมาคมการเกี่ยวข้องกับบุคคลเรื่องราวเหตุการณ์สถานที่ต่างๆให้พยายามหลีกเว้นสถานที่ที่เสี่ยงภยัยเสี่ยงอันตรายเรงการครบหาสมาคมคนผ่านราทบข่าวว่าบางทีมีรูประเบิดระเบิดขึ้นแล้วคนบริเวณนั้นก็ล้มตายลงไปเป็นแบบนั้นแสดงว่าก็เอาตัวเองครับไปเกี่ยวข้องคบหาสมาคมคนผ่านเหล่านั้นอันตรายมันก็เกิดขึ้น วิธีการพู้เจ้าก็คือตัดกระแสตัดการเข้าไปเกี่ยวเกาะกับบุคคลเหล่านั้นเอาไว้เพื่อไม่ให้เกิดตายในการที่ไม่ควรตายแม้สถานที่ต่างๆที่เป็นอบายมุกที่ส่งสรุปรวมเป็นอบายมุกดังนั้นสังเกตวก่าส่วนหนึ่งก็คือป้องกันไม่ให้คนตายในข่าวที่ไม่ควรตาย เพราะความเป็นนักเลงหญิงก็ดีนักเลงสุราก็ดีเรื่องการพนันก็ดีคบคนชั่วเป็นมิตรก็ดีเกลี้ยกล่้านาการงานเที่ยวกันคืนตื่กันเล่นก็ตามแต่ละอย่างนั้นจะทําให้ชีวิตของบุคคลเสี่ยงมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าถอยตัวเองออกมานั้นนอกจากจะมีความเสี่ยงน้อยลงแล้วเราก็เป็นการขาจัดปัญหาต่างๆอีกเป็นมากครังสอนแต่ละอย่างจึงมุ่งไปในจุดนี้ด้วย เมื่อในจุดว่คนที่เกิดมาแล้วก็ควรจะมีชีวิตอยู่เท่าที่อายุเขามีท่าที่อายุเท่าที่กรรมก็มีอยู่แล้วก็ช่วงเหล่านั้นก็ควรจะใช้ชีวิตให้เป็นสารประโยชน์ในขณะเดีการก็ไม่ควรเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องผูกพันกับเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่เสียงไปเสียงอันตรายเึ่อจะทําให้แม้เราอายุยังไม่หมดแต่ก็ตายได้ ตัวกาลมรณนจึงมีลักษณะคล้ายๆกับเตลเทียนที่ไส้เทียนก็ยังอยู่ไขเทียนก็ยังอยู่ถึงโดยปกติแล้วก็ควรจะส่องแสงสว่างอีกนานแต่บดีมีลมกระโชกมามีคนไปทําให้ดับหรือว่ามีสัตว์ไปกระโดดแล้วก็จากการหกล้มลงมาเป็นต้นก็ทําให้ดับได้ทั้งนั้น สรุปว่าด้วยความพยายามของบุคคลอื่นหรือด้วยความประมาทรับา ง, งเพเลเรของตัวเองหรือด้วยกรรมอะไรเข้ามาตัดรอนซึ่งอาจจะเป็นอดีตกรรมหรือปัจจุบนันกรรมก็ตามคือมันเข้ามาตัดรอนชีวิตของบุคคลความตายประเภทนี้จะไม่เกิดแก่บุคคลเพียงประเภทเดียวประเภทนี้ท่านเรียกว่าปัจฉิมภพวิเคราะห์ คือคนที่เกิดมาในพวกชาติสุดท้ายแม้จะอยู่ท่ามกลางภัยอันตรายอะไรก็ตามคนเหล่านี้จะต้องบรรลุมรคผลเป็นพระหันไปก่อนแล้วบรรลุอรหัตเป็นพระหันแล้วอาจจะตายในขณะนั้นเลยก็ได้หรือตายหลังจากนั้นนิดหน่อยก็ได้แต่ว่าท่านจะไม่ตายก่อนการบรรลุมรคผลเป็นพระหันสมารสามัญชนทั่วไปแล้วเราเลือกไม่ได้ โอกาสที่ความตายจะปรากฏขึ้นเกิดขึ้นในโกูกของอารยธรรมมนั้นแล้วก็ไม่ได้จะเกิดขึ้นโดยวิงเอิญการดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทหลีกเว้นการเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เรื่องราวบุคคลเรื่องกรณีต่างๆที่มีความเสี่ยงภยัยเสี่ยงอันตรายจะเป็นวิธีการประกันหนึ่งที่จะไม่ให้ความตายในข่าวที่ไม่ไม่ควรจะตายัเกิดขึ้น ประการต่อไปเป็นเขเยกาลมรณะคือความตายตถึงคราวตายมันความทุกอย่างมันหมดตำนอง้ายๆกับเปลเชียนที่ไขเทียนก็หมดไสเทียนก็หมดยังไงก็ต้องดับ ก, การมองชีวิตในแนวนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะหมดตรงไหนเพราะอายุของบุคคลนั้นไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายว่ามันจะตายเมื่อไหร่ ตายประเภทหมดอายุเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหมดอายุเมื่อไรแต่ทํำยังไงถึงจะใช้สิ่งเหล่านี้เป็นครูที่จะเตือนใจสอนใจจะได้ไ ด, ได้ได้ดรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทเพราะแนวการจเจริญ ม, มนตสติือการตั้งสติตามเรื่องถึงความตายก็คือเพื่อต้องการที่จะรู้จักกับมัจจุมานคือความตาย ในขณะเดียวกันก็ไม่ประมาทต่อมัจจุมาน ค, ความตายแล้วก็ใช้ช่วงใช้โอกาสที่ได้แรงความเพียรสติปัญญายังมีอยู่พอจะบำเพ็ญเพียรความดีอะไรก็รีบเร่งกระทบเต็มตามความสามารถจนอยู่ในระดับที่ท่านเรียกว่าไม่กลัวต่อปารโลกหมายความว่าเป็นคนที่พร้อมได้ศึกษาได้กระทําความดีเอาไว้มากพอ ที่ให้ความมั่นใจว่าตายแล้วก็ไม่ตกตรอกก็กทํานองคล้ายๆกักเรียนนักศึกษาที่ก็เรียนวิชาความรู้ต่างๆเข้าใจดีคือสอบเมื่อไหรก็อสอบกันไม่ได้หวาดวันไม่ได้วิตกกังวลคือไม่กลัวอะไรออกข้อสอบมาก็ตอบได้แต่ว่าอาการทางจิตเหล่านี้เกิดขึ้นจากการเตรียมตัวเตรียมใจพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ พันใช้คำว่าเป็นผู้ไม่กลัวต่อประโลกเพราะเป็นการตายด้วยการจากไปดีสมัมปบุคคลผุ้นั่นในส่วนอัชฉระคราตายได้เด็ดขาดนั้นที่จริงแล้วมันก็ต้องไปแก้ที่กิเลสสมารม์นหมายความต่าใดที่เรายัางมีกิเลสอยู่เราก็ต้องเจอกับความตายอย่างนั้นเองเพราะมีกิเลสก็ต้องเกิดเกิดก็ต้องแก่แก่ก็ต้องตายธรรมดาก็มัน การเอาชนะมัจจุมานเด็ดขาดก็คือการชนะกิเลสสมานแตนนน่ร่างกิเลสสประการที่พูดมาโดยลาดับนั้นทศนิยมต่งางๆเห็นว่าตัวการใหญ่เพิ่งเกิดไปอยู่ที่กิเลสสมานการที่สังขารร่างกายของเรามีปัญหาต่างๆนั้นก็สืบเนื่องมาจากกิเลสสมานชนหนึ่งคือจิตยึดมั่นถือมั้นในขันท่าเอาจริงว่าจังขันท่ามากเกินไปอที่สังขารมานคืที่เป็นบุญเป็นบาป เป็นเลนชาเอาเฉพาะที่เป็นบาปแม้เกิดขึ้นมาจากกิเลสแม้แต่การกระทาที่เป็นบุญนั้นรอเราเห็นว่าก็มีกิเลสปะปนถูกมากมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่ส่วนมรรคมานั้นเป็นธรรมชาติธรรมดาเป็นสังคตธรรมนะเป็นธรรมชาติธรรมดานันเป็นกรัมอย่างนั้นเองแต่การที่เราจะหลุดรอดจริงๆ ตัวสังขารนั้นมันก็เกิดขึ้นตัวความตายนั้นเป็นสภาวะธรรมที่สืบเนื่องมาจากความเกิดและความแก่แสแดงว่าพวกนี้ก็เป็นทุกข์สัตว์ซึ่งเป็นผลมาจากสมุทัยสัตว์คือกิเลสการ ย, ยุติเขาได้จริงๆต้องไปยุติที่ตัวกิเลสไม่ใช่ไปยุติ ต, ตรงนี้เปี่ยนแต่ว่าตรงนี้ถ้าหากว่าได้รู้เท่าทันดำรงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทมีความตื่นตัวอยู่เสมอใช้การโอกาสเวลาที่มาถึงเข้า เพิ่มภูมิบุญกุศลความดีขึ้นก็เป็นสาระแก่นสารเป็นสิ่งที่ควรแก่การปิติประโมดสําหรับเจ้าของชีวิตนั้นๆประการต่อไปนั้นคือเทวุตมานมานคือคือเทวดาที่เป็นเป็นมานเป็นอันตรายเป็นโัวกัดกร่างเทวุตมานส่วนมากแล้วคนสมัยปัจจุบันก็มักจะมองคล้ายๆกับเป็นนิทานอะไรตํา่องนั้น เทพบุตรมานก็คือเทวบุตรมานเป็นสิ่งที่มีชีวิตจริงๆเป็นเทพปรตรุก็ได้เทติดาก็ได้นะะแต่ว่าท่านเรียกรวมๆว่าเป็นเทวบุตรมารเป็นตัวบุคคลเป็นสังขารที่ประกอบด้วยขันห้าเรียบร้อยสามารถไปไหนมาไหนมีความดีใจเสียใจเช่นเดียวกับมนุษย์ทั้งหลายแต่เราจะเห็นว่าตามปกติแล้วเทพบุตามา น, นั้นจะไม่มาพยชนกับมนุษย์ทั่วไป อย่าไ จ, จนในกรณีที่คนเหล่านั้นมีวาสนาบารมีมากแล้วก็ตั้งใจเด็ดเดี่ยวที่จะเอาชนะให้ได้เตุทธมานจึงปรกากฏคราวนี้เราดูตัวอย่างการประ เ, เพยีของพระพุทธเจ้าในระยะเวลา6ปีที่ทนพนค้าสวยหาทางเพื่อจักรสรุนั้นใน6ปีนั้นพญามารปรากฏเพียง2ครั้งเท่านั้นเองและใน2ครั้งนั้น ที่น่าสังเกตยิ่งจะไปกว่านั้นก็คือทั้งสองครั้งเนี่ยเป็นการปรากฏตัวหลังจากพระโพธิสัตว์ได้ตั้งสัตยาทิฏฐานที่จะปฏิบัติภารกิจเหล่านั้นให้ได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรเึ้นมาก็ตามในตอนแรกคือการตัดสินพระไทยที่จะเสด็จออกพนวดเป็นการตัดสินพระไทยที่เด็ดเดียวแล้วไม่ย้อนกลับมาไม่หวนกลับมาไม่ว่าใครจะมาห้ามปรามก็ตาม พญามารก็เห็นว่าชักจะเอาจริงพญามารก็ปรากฏออกมาเป็นเทพเจ้าผู้กรุณน์เอาลมปฏิโลมด้วยประการต่างๆล่อลวงด้วยก็ล่อไม่ใช่รวงหรอกล่อด้วยรายจุสมบัติของพระเจ้าจั ก, กรพรรดิซึ่งจะให้เจ้าชายติตะได้ภายในเจดวันแค่นั้นแต่เจ้าชายติตะก็ไม่ยอมหาำตราอย่างไงก็ไม่ยอมในสุดก็ห้ามไว้ไม่ได้ แต่พอหลังจากนั้นท่านก็ไปหลงทางไปเข้าใจผิดเป็นค้นค้าผิดก็ไปกันเรื่อ ย, วยกว่าจะเข้าที่เข้าทางได้ก็นานตอนนี้พยายามก็ไม่ได้มีอะไรจนหลังจากได้ตัดสินพระไทยเปลี่ยนวิธีการมาเป็นเพียนจากทรมารร่างกายมาเป็นการเปลียนทางจิตเริ่มสวยูปกิญญาหารจากอาหารบนออดมาเรื่อยจนมีที่แรงแข็งแรงขึ้น แล้วก็เริ่มอธิษฐานพระไทยว่าคือนั่งคู่บัลลังภายใต้ต้นโพว่าแม่เลือดเนื้อในกายของเราจะเกิดแท้งไปอย่างเรือแต่นัน่งเองกระดูกระตามตากว่าไม่ได้จะรู้ด้วยความเพียรพยายามของตัวเองแล้วก็จะไม่ลุกขึ้นจากอาสนะนั้นซึ่งจะเห็นได้ว่าสัสตยาทิฏฐานนั้นมีลักษณะเดียวกับการเสด็จออกบทคือบทอย่างเดียวอย่างอื่นประตูที่สองไม่มี ถ้าจะมีก็คือตายตอนอธิษฐานพไทยก็จะมีลักษณะอย่างนั้นคือมีสองอย่างมีตายกับบรรลุกับศัตรูเป็นเรพาพระเจ้าไม่มีประตูที่สามเปิดไว้ให้เลือกเพราะนั้นปยามานก็เห็นว่าเอาจริงแล้วตอนนี้ปยามานก็มาปรากฏเป็นรูปร่างเป็นตัวบุคคลจริงๆในกรณีนี้คือเป็นตัวบุคคลจริงๆ ในการศึกษาในการมองนั้นจะต้องมองเลยไปด้วยนะว่าบางที่เราไปพูดว่าเป็นกิเลสที่มารบกวนพระไถ่ของพระโพธิสัตว์เราลืมไปว่าตอนนั้นพระโพธิสัตว์ท่านได้บรรลุอรูปฌานแล้วได้สมาบัติแปดแล้วกิเลสภายในใจคนนั้นส ง, งบตั้งแต่ได้รูปฌานสี่แล้วสมาบัติแปดนั้นเรียบร้อยไปนะกิเลสไม่มีโอกาสจะฟูขึ้นมาได้ตราบเท่าที่สมาบัติยังมีอยู่ เดี๋ยวกิเลสที่ไหนมารบ ก, ก, กวนพระไทยของพระโพธิสัตว์ในเมื่อกิเลสมันถูกสงบด้วยกำลังชานไปแล้วพรันมาณที่กุฎเจ้าพระจน์ในขณะนั้นในเวลานั้นก็คือขันธมารการตัดสินพระไทยเป็นนั่งโดยไม่ยอมขยับขยืขยดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายก็ต้องเก็บปวดทุกข์ทรมานเป็นธรรมดาแต่อาศัยความเด็ดเดี่ยวเท่านั้นเองจึงทนทานต่อความเสียดแทงของปวดเมื่อยเหล่านั้นกับทุกขเวทนาเหล่านั้นได้ แล้วการต่อไปก็คือมัจจุมานนะฮะก็ปวดที่เกือบตายอะแล้วก็เทวุปุตตมานเือมานคือเทวุปุตแล้วก็มีอยู่เป็นสามมานแต่นั้นเองเรื่องบาปมันก็สงบพร้อมไปกับกิเลสแล้วเันในเรื่องของเทพุปุตตมานที่จริงแล้วมันก็ไม่เคยจะน่ากลัวเท่าไหร่แต่คนที่น่ากลัวคือคนพานทั้งหลายซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกับเทวุปุตตะมานเหมือนกันก็คือค น, คนเรานี่แหละ อาจจะเป็นผู้ใหญ่ก็ตามผู้น้อยก็ตามที่เป็นอุปสรรคขัดขวางบีบบังคับให้เราต้องมีการประพฤติมีการกร ะ, กรระทําในลักษณะนั้นมีเหตุการณ์เป็นอันมากที่แม้เราไม่สมัครใจจะทําแต่ถูกบังคับถูก ค, ค่มคูถูกล่อลวงถูกจ้างวานให้มีการประพฤติกระทําอาการลนี้ที่จริงก็คือแบบเดียวกับเทปุตรบาน แม้เขาไม่เป็นเทพบุตรก็าตามก็คือคนทั้งหลายเนี่ยบุคคลผ่านทั้งหลายเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มเดียวกับ เ, เทพบุตรมอดเพรไปจริงพวกเทพบุตรก็ก็เป็นคนดีแต่ก็มีบางคนส่วนมากจะเกิดขึ้นจากฤทษยาจะไม่ต้องการเห็นมีใครมีความเจริญก้าวหน้าคุเขาเจริญก้าวหน้าไปแล้วจะให้ความเคารพนับถือแก่บุคคลนั้นมากเกินไปดังนั้นท่านจึง มากัดขวางมาตัดรอนมาห้ามปราบมาไว้ไม่ให้มีการระเพืเกิกระทำการที่จะต่อสู้การประจนมาเล่านี้ก็ต้องอาศัยปัญญาตรวจสอบพิจารณาถึงคนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเหตุการณ์เรื่องราวต่อถึงลักษณะทางอารมณ์ เห็นว่าอะไรที่เป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการประพฤติปฏิบัติที่จะช่วยพัฒนาจิตใจให้เกิดความสงบแล้วก็พยายามหลีกเป็นเทพบุตรมา น, นั้นที่จริงแม้แต่ว่าเป็นพระพุทธเป็นพระหันไปแล้วเป็นพระพุทธเจ้าไปแล้วมันก็ยังวุ่นวายนะยังเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่แล้วก็ทําอะไรไม่ได้แต่นั่นเองผลมานที่ตัดขาดจริงๆสําหรับพระพุทธเจ้าพระหันทั้งหลายก็คือกิเลสมาน ขันตมานก็เอาชนะโดยไม่ยึดมั้นถือมัน่นพวกบุญบาปนั้นละได้พร้อมกับการหมดกิเลสหรือเบญจภาพานทั้งหลายนั้นไม่มีทั้งบุญทั้งบาปละได้ทั้งบุญทั้งบาปส่วนความตายนั้นก็อย่างที่ทราบว่าทราบกันคือมันเป็นเรื่องธรรมดาสังขารนี่ต้องแตกตับเมรเทวุตามานเมื่อเราเอาชนะเข้าได้รู้จักเขาได้ในส่วนที่เราหลีกเว้นได้เราก็หลีกเว้น แม้แต่เขาจะมีการพุชารอะไรก็ตามปัญญาจะเข้าตรวจสอบวิเคราะห์วิจัยตัดสินสงบจิตใจจากอำนาจของบุคคลเหล่านั้นได้เพราะงั้นปัญหาการต่อต้านมารโดยการขัดขวางต่อสู้กับมารทึงเป็นเรื่องของปัญญาที่จะสอดส่องพินิจพิจารณาไปตามสมควรแก่ลักษณะของมารประเภทนั้นแล้วทความสวัสดีให้แก่ตนอิทธิพลของมารจะถูกสยบเอาไว ความสุขความสบายก็จะเกิดขึ้นตามสมควรแก่การระพฤตปฏิบัติต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป